ตอนที่สิองผู้หญิงคนนี้หมายความว่ายังไงสามีภรรยาตระกูลฉิง น, นึกว่าจะเป็นเงื่อนไขที่บีบคั้นเพียงใดพอได้ยินว่าเป็นเรื่องตัดความสัมพันธ์กับลูกสาวทั้งสองก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อยตกลงในทันทีอย่างไรเสียลูกสาวก็เป็นไม้แถมยังมีแม่สามีตัวแสบคนนี้คอยปกป้องต่อไปคงไม่มีอะไรให้ขุดรีดได้อีกแล้วตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการช่วยลูกชายออกมาให้ได้เสียก่อน ชินเสี่ยวเยเวมองดูพ่อแม่ตระกูลฉินที่รีบร้อนไปขอยืมกระดาษกับปากกา ม, มาเขียนหนังสือตัดความสัมพันธ์บนโต๊ะสี่เหลี่ยมกลางลานบ้านอย่างรวดเร็วในใจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่คุ้มค่าแทนเจ้าของร่างเดิมนางค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ซูมานอินแล้วกระซิบถามเบาๆของสิ่งนี้มีผลทางกฎหมายไหมคะซูมานอินถอนหายใจแล้วตอบกลับเสียงเบาก็แค่เอาไว้เป็นข้ออ้างไวขง้ข่มขู่และใช้ศีลธรํากำราบเท่านั้นและหากพวกเขาล้มป่วยลงเธอก็ยังต้องทําหน้าที่กระตันยูอยู่ดี ชินเสี่ยวเยาทำหน้าพูดไม่ออกแต่มีไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีหนังสือตัดความสัมพันธ์เขียนเสร็จแล้วชินเหรียนซานยื่นกระดาษให้โจเตอสุนเพื่อให้เขาส่งต่อให้ซูม่านอินตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชินเสี่ยวเยาจะตัดขาดความสัมพันธ์กับพวกเราไม่ใช่ลูกสาวของตระกูลชินอีกต่อไปชินเหรียนซานกล่าวอย่างเย็นชายอยู่ด้านข้างแบบนี้คงใช้ได้แล้วใช่ไหมซูม่านอินกว่าสายตามองดูคร่าวๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจนัก ที่ชิ้นเท่นเขียนแบบนี้มันดูคลุมเครือไปหน่อยตัดขาดความสัมพันธ์นะ่ตัดขาดกันยังไงล่ะซูมานอิมยิ้มพรางแนะนําว่าฉันคิดว่าทางที่ดีควรเขียนว่าประเภทที่ตายไปก็ไม่ต้องมาเผาผีกันเลยจะดีกว่านะชิ้นเหรียญซานกัดฟันกรอส่วนหริววิหงที่อยู่ข้างๆก็ร้อนใจอยากช่วยลูกชายจนรีบเร็วพ่อของเสี่ยซานเขียนไปเถอะถือเสีย ว, ว่าเราไม่เคยเกิดเป็นคนเนรคุณคนนี้ออกมาก็แล้วกันแม่คะแม่พูดกับหนูแบบนี้ได้ยังไงชิ้นเสียวเยเวเริ่มร้องให้คร่ำครวญอีกครั้ง แม่ขะก่อนหน้านี้ไม่ยุตสินสอดไปเอาเงินชดเชยของไว้ตรงไปฉันไม่เคยทวงคืนเลยสักหยวนเดียวทําไมแม่ยังว่าฉันเป็นคนเนรคุณอีกล่ะคะแม่รองขะพ่อกับแม่ของหนูจําได้แต่ลูกชายไม่ต้องการหนูแล้วชินเสียวเยเวโผลเข้าสู่อ้อมกอดของซูมานอินอีกครั้งซูมานอินลูบผมของนางเบาๆพลางปลอบโยนด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนพวกเขาไม่ต้องการแต่แม่ต้องการเจ้าตั้งแต่นี้ไปแม่จะเป็นแม่แท้ๆของเจ้าเองแม่คะจะ ทุกคนที่มองดูภาพแม่สามีลูกสะใภ้มายกอดกันร้องให้ต่างก็พากันถอนหายใจด้วยความเวทนาในขณะนี้หลิออวอวี๋หงรู้สึกมึนงงเล็กน้อยทั้งที่พวกเขาสองสามีภรรยาถูกบังคับให้เขียนหนังสือตัดความสัมพันธ์แต่ทำไมมันถึงดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นฝ่ายขอตัดความสัมพันธ์เองเสียอย่างนั้นทว่าตอนนี้ไม่มีเวลามาโม่คิดเล็กคิดน้อยพอคิดว่าลูกชายยังถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจทั้งสองก็กระวนกระวายใจจนแทบทนไม่ไหวคราวนี้คงใช้ได้แล้วนะ ชินเหรียนซานยืดหนังสือตัดความสัมพันธ์ที่แก้ไขเพิ่มเติ ม, ตมแล้วให้โ จ, โจเตอซุ่นอีกครั้งโ จ, โจเตอซุ่นไม่รอช้าส่งต่อให้ซูมานอินเทนทีซูมานอินให้ชินเสี่ยวเยาดูเมื่อเห็นดังนั้นชินเสี่ยวเย่าก็ร้องให้ออกใหม่ครั้งเอาตามนี้แหละพี่ฉิ้นที่หลิวพวกท่านลงชื่อแล้วประทับลายนิ้วมือก็พอแล้วซูมานอินราวกับเล่นกลนนงหยิบแท่นประทับตราออกมาจากกระเป๋ามาเถอดฉันเตรียมไว้ให้พวกท่านตั้งนานแล้ว อลานตระกูลโจเห็นดังนั้นก็รู้สึกเลื่อมใสในใจดูเหมือนว่าตั้งแต่เริ่มแรกซูมานอิงจะคาดการไว้แล้วว่าพวกเขาจะมาหาเรื่องและเตรียมการไว้พร้อมสับหากนี่เป็นยุคโบราณนางคงได้เป็นกุญสือไปแล้วกระมังชินเสียวเย่เว่ยเองก็ประหลาดใจเพื่อนรักของนางเก่งกาจขนาดนี้เลยหรือทำไมพอทะลุมิติมาในยุค80ถึงได้รู้สึกเหมือนนางอย่างรู้อนาคตได้แบบนี้หรือว่านางจะมีระบบ เอาแล้วไม่ต้องตกใจไปชั้นเตรียมไว้สําหรับไปใช้ที่สํานักงานเขตไม่นึกว่าจะได้เอามาใช้ที่นี่ก่อนสํานักงานเขตชินเสี่ยวเย่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ยังต้องไปรอฟังคําตอบที่สํานักงานเขตอีกนี่นาะแต่ว่าจะเอาแท่นประทับตราไปทําอะไรฉินเสี่ยวเย่าไม่มีเวลาคิดเพราะถึงตาที่นางต้องประทับลายนิ้วมือแล้วเอาและหนังสือตัดความสัมพันธ์ฉบับนี้ฉันจะเก็บไว้เองเพื่อนบ้านแถวนี้ต่างก็เป็นพยานได้ซูมานอิงกล่าวด้วยน้ําเสียงกังวาล พยานบุคคลและพยานวัตถุอยู่ครบหากพวกท่านคิดจะกลับคำหลักก็มาไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะวางใจเถอะพวกเราไม่มีวันกลับคำเด็ดขาดซูมานอินมองดูใบหน้าที่เด็ดเดียวของชินเลียนซานในใจก็นึกว่าขอแค่พูดคำนี้ออกมาวันหน้าจะต้องมีฉากที่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังอย่างแน่นอนนางแซซูหนังสือตัดความสัมพันธ์พวกเราก็เขียนเสร็จแล้วแล้วหนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปลนของลูกชายฉันล่ะหลิวอวีหงเร่งเร้าแกก็รีบเขียนมาเร็วๆสิ หนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปรนน่ะเหรอฉันเขียนเสร็จตั้งนานแล้วละ่ะซูมานอิงหยิบออกมาจากกระเป๋าคลี่ออกให้ทุกคนดูแวบหนึ่งอย่างรวดเร็วก่อนจะเก็บเข้ากระเป๋าตามเดิมหากพวกท่านไม่สบายใจฉันจะไปที่สถานีตำรวจกับพวกท่านเดี๋ยวนี้เลยชินเหลียนซานและหลิวอวีหงได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมากงั้นจะรออะไรอยู่ล้ไปกันเถอะชินเหียซานเร่งร้าด้วยสีหน้าบึ้งตึง ซูมานอินกำชับให้โจเวยหมิ่นล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วกระซิบสั่งโจเวยหมิ่นเบาๆว่าหลังจากล็อกประตูแล้วให้ไปขอลา ง, งานที่หน่วยงานสักพักแล้วไปรอฉันที่หน้าสำนักงานเขตนะโจเวยหมินเข้าใจความหมายของแม่น้อยในทันทีรับทราบครับแม่น้อยไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มคุ้นชินกับคําเรียกนี้แล้วโจเตอสุ่นเห็นซูมานอินกับโจเวยหมิ่นกระสิบประซาบกันพอฝ่ายหญิงเดินจากไปเขาก็รีบพยับเข้าไปถามทันทีเวยหมิ่นแม่น้อยของแกพูดอะไรกับแกนะ อ้อไม่มีอะไรครับแค่บอกให้ผมใส่ใจให้มากหน่อยเฝ้าบ้านให้ดีทั้งโจนนอกโจนในต้องระวังไว้ให้หมดโจเว่หมิ่นผักโจเตอสุ่นออกเป็นกลอนบ้านล็อกประตูแล้วกระโดดขึ้นจักรยานปันน่นหนีไปทันทีโจเตอซุ่นโกรธจนพ่นลมหายใจฟึดฟัดดูท่าที่กุยหวาพูดไว้จะไม่ผิดซูมานอินคนนี้ปราบโจเว่หมินได้อยู่หมัดจริงๆชินเลี้ยนซานขี่จักรยานซ้อนท้ายภรรยามาส่วนซูมานอินก็มีจักรยานของตัวเองทั้งหมดปั่นจักรยานไม่นานก็มาถึงสถานีตำรวจ ทันทีที่ก้าวเข้าไปสู่ม่านอินก็บังเอิญเจอเกาฉางเหอที่เพิ่งมาเข้าเวรพอดีในมือเขาถือถุงกระดาษใบหนึ่งดูเหมือนจะเป็นของกินเขากำลังจะอ้าปากกัดแต่พอเห็นสาวงามเขาก็รีบชักมือกลับทันควันหัวนหน้าก็เราเจอกันอีกแล้วนะคะสูม่านอินทักทายเกาฉางเหออย่างกระตือรือร้อนเกาฉางเหอมองไปยังสามีภรรยาไวกลางคนที่เดินตามหลังเธอมาด้วยความสงสัยสหายสูม่านอินทำไมคุณถึงมาอีกแล้วล่ะฉันมาประกันตัวคนค่า ซูมานินเบียงตัวหลบพลางชี้ไปที่ฉินเหลียนซานและหลิวอวิหงพวกเขาคือพ่อแม่ของชินเสี่ยวซานหัวโจกที่ก่อเรื่องเมื่อวานนะคะอ่อนั้นก็เป็นพ่อแม่ของแม่หนูคนนี้ด้วยสินะเกาช้างเฮิรเหลือบมองฉินเสี่ยวย่าวแต่ใครจะรู้ว่าดวงตาที่บวมแดงจากการร้องให้ของเธอจะมีน้ําตาร่วงเพาะลงมาอีกครั้งหัวหน้าก็อย่าพูดเลยค่ะฉันตัดความสัมพันธ์กับพ่อแม่แล้วตัดความสัมพันธ์ เกาช้างเฮิรมีสีหน้ามึนงงเขามองสามีภรรยาไวกลางคนที่นิ่งเงียบแล้วหันไปมองซูมานอินที่มีแววตาจ้ำใสก็พอจะเดาเรื่องราวได้คร่าวๆหัวหน้าเก่านี่คือหนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปรนข้าเห็นแก่ที่เป็นญาติกันเรื่องนี้ฉันจะไม่เอาความแล้วซูมานอินพูดอย่างใจกว้างซึ่งหัวหน้าเก่าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไอ้อยาหาคนที่มีเหตุผลและใจกว้างแบบนี้ได้ยากจริงๆนะเนี่ยเกาช้างเหอหันไปพูดกับฉินเหรียนซานและหลิว อ, อวิหง พวกคุณโชคดีมากนะถ้าเป็นคนอื่นลูกชายพวกคุณคงไม่ได้ออกมาง่ายๆในเวลาอันสั้นแบบนี้หรอกชินเลียนซาและหลิวอวีหงอวาแต่ก้มหน้าก้มตาพอได้ยินเกาช้างเหอพูดใส่ก็ทาได้เพียงพยักหน้ายอมรับผิดอย่างนอบน้อมไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นศบตาผมจะพาไปทําเรื่องตามขั้นตอนแล้วกันเกาช้างเหออาสาจัดการให้เองขั้นตอนต่างๆจึงเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเมื่อชินเลียนซาและหลิวอวีหงเห็นชินเสี่ยลซาลูกชายของตนมีบาดแผลตามตัวก็อดที่จะรู้สึกปวดใจไม่ได้ ลูกแม่ลูกไม่ได้ถูกซ้อมอยู่ที่นี่ใช่ไหมหลิวอวี๋หงพึมพำด้วยความสงสารลูกซึ่งบังเอิญตํารวจเสี่ยวหวังที่อยู่ข้างๆได้ยินเข้าพอดีพูดอะไรหนะ่าพวกเราไม่ได้ลงไม้ลงมือเลยนะเก้าช้างเหิรสัมทับขึ้นนี่มันแผลที่เขาทําตัวเองตอนก่อเรื่องทั้งนั้นและอัลลอรี่พาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเถอะชินเสียลซานตกใจจนขวัญห น, นีดีฟอไปนานแล้วชินเหรียนซานและหลิออวอวี๋หงไม่กล้าชักช้าทั้งสองรีพยุงลูกชายเดินออกไปทันที เมื่อเกาช้างเหอหันกลับมาอีกครั้งก็พบว่าสูมานอินกำลังจ้องมองเขาขเขม็งเอ๊ผู้หญิงคนนี้มองฉันแบบนี้หมายความว่ายังไงกัน